ไม่ได้ไม่ได้ตั้งน้โมเราพวกเราตั้งใจฟังสักหน่อยอตั้งใจฟังของฝากก็คือธรรมะนี่แหละธรรมะไปเอาธรรมะเป็นของฝากเพราะต่างคนก็ต่างมีเงินเดือนทุกคนแล้วไม่มีอะไรจะให้แล้วคอ้ทํางานไปเรื่อยๆเนียก็ของฝากคือธรรมะ <c oughs> อ่า เไรเวลาเท่าไรนูนเ ท, ท, <c oughs> ท่าไรเวลาเท่าไรเกือบ2องทุ่มเอาเพิ่งไปทุ่มกว่าๆเนาะกวานะ่าๆทุ่มห้าทุ่สองเพิ่งไทุ่มยังไ ม, ไม่ถึงสองทุม่มถือว่าเราต้องอใช้เวล า, าในทางทำสักหน่อย <c oughs> อบางคนก็จะคิดถึงทางบ้านก็ถือว่าดีโชคดีที่พวกพนัก ง, งานที่ทํางานอยู่ที่นี่ถือว่าโชคดีชาวเมืองมหาสารคามได้มีครูบาอาจารย์มาเวียนเวียนเทสนาเวียนพาท่านมาโปรดมาโปรดพวกเราชาวสารคามโดยการนําของอ อาจารย์ด็อกเตอร์หมูนัทนนท์ตาชูท่านได้มาสร้างบริษัทให้พวกเราได้ทำการทำงานขึ้นแล้วก็เป็นโชคดีท่านเป็นคนเข้าวัดชอบปฏิบัติธรรมไม่มีบริษัทไหนจะทำได้อย่างนี้หายากที่จับทำอย่างนี้ถือว่าเป็นโชคโชคดีของพนักงานที่จะมีโอกาสได้มาทำงานที่นี่สถานที่ หาได้ยาก <c oughs> อญาติเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมไหวพระสวดมนต์นี่แหะการไหว้พะระสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอานิสงส์มีสวรรค์เป็นที่ที่พึ่งพาอาศัยได้ได้สวรรค์สมบัติเราสวดมนต์ไหวพระสาธยายสรรเสริญคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อ มีกิจใจเป็นกุศลแล้วก็แผ่เมตตามีกิตใจอบอ้อมอารีมีแต่บุญทั้งนั้นการไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นบุญการแผ่เมตตาก็เป็นบุญในนั่งสมาธิก็เป็นบุญเดี๋ยฟังเทศกุบาอาจารย์หลายองค์ก็เป็นบุญหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นถือว่าพวกเราเนี่ยโชคดีมากในมาทํางานที่นี่ถือว่าโชคดีเรื่องบ้านเราต้องพูดให้เข้าใจผู้ใดมีครอบครัว มีสามีมีภรรยาเราต้องพูดกันให้เข้าใจว่าบริษัทบริน่ามีการจัดไหวพระสวดมนต์อบรมฟังเทศที่มีครูบาอาจารย์มาเราต้องพูดกันให้เข้าใจไม่มีปัญหาดอกถือว่าเป็นบุญให้อนุโมทนาด้วยกันอาสามีที่อยู่ที่บ้านก็ให้อนุโมทนาด้วยภรรยาที่อยู่ที่บ้านให้อนุโมทนาด้วยจะเป็นบุญไปด้วยกันหรือถ้าใครอยู่ใกล้ก็ชักชวนกันมาฟังเทศฟังธรรม มันจะได้อานิสงส์ไปพร้อมๆกันอา น, นิสงส์จะมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนึ่ง <c oughs> นี่แหล ะ, ะท่านเจ้าของบริษัทท่านเปิดโอกาสให้พวกเราได้ซัพพลายใน <c oughs> หลายๆที่หลายๆแห่งทํางานนึงก็ต้องมีงานโอเล่ง <c oughs> ได้ได้ซัพพลายนอกเงินเดือนเราทําทุกวันเป็นซัพพลายนอก ที่นี่เนี่ยท่านเจ้าของบริษัทท่านพาไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศนั่งสมาธิภาวนาถือว่าให้ทั้งรับภายในนี่แหละับภายในรัพภายในคืออะไรรับภายในคือกุศลผลบุญนี่แหละมันเป็นรับภายในคำว่าทรับภายนอกคือข้าวของเงินทองเครื่องใช้ไม้ส้อยส้อย บ้านรถที่ดินของภายนอกข้าวของเงินทองคำว่าของภายนอกคือตายแล้วเอาไปไม่ได้ฉันเลยจะเรียกว่าทรัพย์ภายนอกเอาติดกับตัวไปไม่ได้จิตวิญญาณตัวก็คือจิตวิญญาณนี่แหละเอาไปไม่ได้ทิ้งไว้เบื้องหลังให้ลูกหลานได้อาศัยเราหาเงินหามารดกสมบัติพัฒฐาน ซื้ออยู่ซื้อกินซื้อกินกินแล้วก็ขับถ่ายออกหมดไปหามากินใหม่ขับถ่ายออกหมดไปอืมบางคนเจ็บไว้มีออมทรัพย์เจ็บใจเจ็บว้เมื่อตายไปเอาไปไม่ได้ทิ้งไว้ธนาคารทิ้งให้แกลูกแกหลานนี่แหละท่านจึงเรียกว่าทรัพย์ภายนอก ตายไปแล้วไปกับเราไม่ได้เอาไปได้แต่กุศลผลบุญเอาไปได้แต่บุญกับบาปใครเป็นผู้เอาไปคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณออกจากร่างไปมีบุญไปด้วยท่านจะว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมคือการกระทาการกระทาของเราทุกอย่างคือกรรมของเรากรรมเกิดจากการกระทา นี่แหละท่านจะว่าให้เรากระทำความดีเอาไวา้จะมีกรรมดีเป็นที่พึ่งพระพุทธเจา้าท่านจะสอนละความชั่วมาทำความดีก็คือละกรรมชั่วมาทำกรรมดีเมื่อเราทำกรรมดีก็คืออย่างนี้แหละไหวพระสวดมนต์แผ่เมตตานั่งฟังเทศน์นั่งฟังธรรม การนั่งฟังเทศมีอาเิส่์ไปสู่สวรรค์มีสวรรค์เป็นที่ไป <c oughs> อย่างข้างข่าวเคยมาเทศข้า ง, างนั่นแหละจะอาจจะบางคนก็อาจจะไม่ได้ยินข้างข่าวฟังเทศไม่เข้าใจแต่ฟังด้วยความเคารพข้างข่าวฟังเทศไม่เข้าใจฟังด้วยความเคารพตั้งใจฟังด้วยความเคารพในพระธรรมคําสั่งสอน เมื่อเคารพในพระธรรมคางสั่งสอนคือเคารพในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าผูต้ตรัสเคารับในพระสงฆ์ผู้สงฆ์ผู้เผยแผ่เคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบทั้งสามเคารพในพระธรรมคํ า, คาสั่งสอนข้างคราวตัวนั้นเนี่ยมันก็เหมือนคนเราเนี่ยแหละต้องไปหาอยู่หากินต้องกับต้องถ่ายเหมือนกันแต่เป็นขึ้นอยู่กับก จ, จิตใจชอบใฝ่บุญ จิตใจชอบไฝ่กุศลชอบไฝ่ความดีเสื่อตนข้างขาวตัวนั้นข้างขาวอยู่ในถ้ำเป็นร้อย0 0ตัวจะออกไปหากินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขึมาแล้วออกหากินตัวที่มันอยู่ในถ้ำมันก็มีพระพุทธรูปเหมือนกันน่แหละพระสงฆ์ที่เป็นอาจารย์ก็กำลังแสดงธรรมให้พระพระลูกวัดฟังพระลูกศิษย์ฟัง ข้างค่าวบางตัวมันก็บินไม่ใช่บินไปธรรมดามันต้ชี้ลดลงมาใส่หัวพระชี้ลดลงมาเยี่ยวลดลงมาใส่พระพุทธรูปใส่หัวพระที่นั่งฟังเทศแล้วก็ค่อยเอาชี้แล้วก็ไปขี้เราก็ไปเ ย, ยี่ยวลงมาแล้วก็ไป <c oughs> มีข้างค่าวตัวหนึ่งมันีน่แหละสองร้อยประมาณสองร้อยตัวจะมีตัวหนึ่งเกาะอยู่ฟังเทศไม่ยอมกระดิกไม่ยอม บินไปไหนฟังเทศห้อยหัวนอนฟังอย่างงั้นพระท่านแสดงธรรมข้างค่าวก็นั่งห้อยฟังอยู่อย่างงั้นไม่ยอมไปหากินพระท่านเทศหนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงมันก็ฟังอยู่อย่างงั้นไม่คิดถึงว่าอาหารเราจะหมดหรือเปล่าเขาจะกินก่อนเราหรือเปล่าฟรองต้นนั่นกําลังสุกพุชชาต้นนั้นกําลังสุกเขาจะไม่กินก่อนเราหรือ มันไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยไม่ส่งจิตออกข้างนอกไม่คิดชิดใจน้อมาฟังธรรมฟังธรรมด้วยความคารมไม่ไม่สนใจเรื่องอาหารจะหมดหรือไม่หมดหรือไม่สนใจภายนอกตั้งใจฟังธรรม <c oughs> พอจบธรรมประมาณหนึ่งชั่วโมงพระท่านกลาบครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหากับอาจารย์หมดแล้วกลับกันหมด ข้างขาวตัวนั้นถึงท่ายอยอถึงบินออกไปข้างนอกถ้ำแไปหากินมันก็ได้กินเหมือนเดิมมละก็ได้กินอิ่มเหมือนกันไอ้ตัวที่มันบินพืพ่พับพืบ่พับเพืพับไปไม่ได้ฟังเทศไม่ได้สร้างกุศลไม่มีการกระทำให้เกียตัวเองแถมยังขี้เยี่ยวลดมุมมาใสาพ่พระปรากฏว่าข้างขาวมันจะไปยังไงมัข้างขาวตัวที่ฟังเทเ สิ้นอายุของข้างคาวตายแล้วไปขึ้นสู่สวรรค์เป็นเทพพระบุตรไปเป็นเทพพระบุตรอยู่บนสวงสวรรค์ข้างคาวไอ้พวกที่ยศเยี่ยวลดลงมาชี่ลดลงมาใส่พระพุทธโูกบ้างใส่หัวพระสงฆ์บั้งตายแล้วตกนรกสองแสนกัปสองแสนกัปไม่ใช่น้อยดิตายแล้วตกนรกอันนี้แหละ มันเป็นคําพูดคําสอนของกรูบาอาจารย์เล่ามาต่อมาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติมาหลายองค์หลายองค์คนก็บําเพ็ญกุศลก็หลายต่อหลายผู้ไม่บําเพ็ญก็มีสัตว์บําเพ็ญก็มีสัตว์ไม่บําเพ็ญก็มีนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นท่านจงว่าเรามีกรรมเป็นของของตนเมื่อเรากระทาดีความดีก็นําสู่ความสุขได้ เพราะจิตใจเป็นผู้บำเพ็ญจิตใจเป็นผู้กระทากายเป็นผู้รับใช้ของจิตจิตเป็นผู้บงการผู้กระทาท่านจึงให้จิตใจของเราเนี่อบรมด้วยธรรมะฟังเทศฟรงธรรมจิตใจจะดีขึ้นนี่ะเพราะฉะนั้นมันจึงหาได้ยากสถานที่ที่เราจะได้สร้างซับภายในทําการทํางานอยู่เป็นประจํา เราก็ยุ่งยากอยู่กับงานแต่ถ้าเราแบ่งเวลามาอย่างนี้มันดีมากเลยแบ่งเวลามาสร้างกุศลผลบุญอย่างเพียรท่านอาจารย์ดร์ อ, อ, อ, อ, อหรือเจ้าของบริษัทท่านพาทำรรถือว่าดีมากหาได้ยากหาได้ยากเนี่ยเหมือนกันละ่ะคนเราเกิดมาก็เหมือนสัตว์สัตว์ก็เหมือนคนห้อยู่ห้หกินมีที่จะไปมีที่จะอยู่ มีการกระทำดีและกระทำไม่ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าบุคคลผู้มีปัญญาเลือกทำแต่ความดีเลือกสร้างกุศลให้แก่ตนบุคคลผู้ทำความดีเลือกสร้างกุศลเลือกทำบําบเพ็ญให้แก่ตนตนก็จะมีความสุขทางใจใจเป็นสุขใจเป็นสวรรค์ใจเป็นทุกข์ใจเป็นนรกท่านจึงว่าสวรรค์ก็จิตใจนี่แหละ เป็นผู้ไปนรกก็จิตใจนี่แหละเป็นผู้ไปนิพพานก็คือใจเป็นผู้บรรลุนี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นสัตว์เป็นคนมนุษย์อะไรก็ช่างจิตใจเป็นผู้ไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงให้บำเพ็ญจิตใจของเราเนี่ยหให้มันดีสร้างกุศลผลบุญบำเพ็ญศีลภาวนาให้ทานอวัยการให้ทานมันจะทาให้เราเนี่ย มั่งมีสีสุขล่ํารวยขึ้นสร้างฐานะการเกิดเป็นมนุษย์ให้ล่ํารวยคนเราจะเป็นมนุษย์ต้องสร้างจิตสร้างใจของเราให้มันดีอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในคุณงามความดีเราจะเป็นมนุษย์สมบัติหมดอายุไขของความเป็นมนุษย์ก็ขึ้นสู่สวรรค์สมบัติถ้าเราภาวนา นั่งสมาธิภาวนาพิจารณาธรรมศึกษาธรรมะอ่านหนังสือธรรมะของคูบาอาจารย์สายปฏิบัติมันก็ทำให้เราเนี่ยเดินเข้าสู่มรรคสู่ผลได้นิพพานสมบัติต่อไปเบื้องหน้าก็คือจิตใจเป็นผู้บําเพ็ญเพราะฉะนั้นเนี่ยิงเรียกว่า <c oughs> ถือว่าเป็นบุญของผู้ได้อยู่ เป็นบุญของผู้ได้ปฏิบัติเป็นบุญเป็นกุศลของผู้ได้บำเพ็ญเพราะฉะนั้นพวกเราก็พยายามทำจิตให้สงบสบายสบายอย่าให้ความกังวลเข้ามาครอบงำจิตใจ อ, อย่าให้ความเกลียดค้านเข้ามาครอบงำจิตใจเราต้องสร้างศรัทธาขึ้นศรัทธาคือความเชื่อว่าทำบุญได้บุญ สร้างกุศลได้กุศลทำบาปก็ได้บาปนี่แหละท่านจึงว่าละบาปมาทำบุญบุญเกิดขึ้นที่ใจคือใจมีความสุขเมื่อใจของเรามีความสุขใจมันก็สบายนี่แหละท่านจึงว่ามีธรรมะมาหล่อเลี้ยงจิตใจจิตใจนี้จะชุ่มฉ่ำเย็นสบายถ้าจิเลศมาหล่อเลี้ยงจิตใจจิตใจก็เล่าร้อนเป็นทุกเหมือนไฟลน เหมือนเพลินไฟเหมือนไฟเผาไฟลนคือจิเลตโทสะมันก็ะร้อนจิเลตโทสมีหลายอย่างมีทั้งความโกรธมีทั้งคว้าความเครียดชฉนพยาบาทมีทั้งความอาเอารักเอาเปียบข่มเหงรังแกความโกรธมันก็ทําให้เราอนขึ้นเรียกว่าจิตใจมันสร้างบาปใส่ตน จะเป็นความโกรธความโลภความหลงถ้ามันครอบงําจิตใจจิตใจของเรามันก็ไม่เย็นมันจะร้อนเนี่ยท่านจึงว่าเมื่อเราฟังเทศน์ฟังธรร ม, มอบรมจิตใจหรืออ่านหนังสือธรรมะเป็นการถนอมอบรมหล่อเลี้ยงใจของเราให้เป็นสุขขึ้นเมื่อบางคนมีเรื่องมีราวกระทบเกิดเป็นทุกข์ ถ้าเราขณะที่เราเป็นทุกข์เราเอาธรรมะมาฟังฟังเทศเอาธรรมะหนังสือมาอ่านมันจะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์มาเป็นความสุขแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาถูกต้องและก็สบายใจนั่นแหละคือธรรมเป็นที่พึ่งของเราท่านจึงว่าพระพุทธเจา้าท่านจึงกล่าวว่าพวกเธอทั้งหลาย จงมีธรรมเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเถิดพระพุทธเจ้าท่านกล่าวอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจงอย่าทิ้งธรรมจงเอาธรรมมาเป็นเครื่องดำเดนินสอนจิตสอนใจเราบาเพญ็ญหัดนั่งสมาธิภาวนามีเวล่ำเวลาพักผรตอนเที่ยงนั่งเก้าอี้หลับตาหายใจเข้าวัาพุทธหา จ, จะออกวัดโ หายใจเข้าพุทธหายใจอวตโรหรือจะหายใจเข้ารู้ลมเข้าหายใจออกรูล้ลมออกอย่อยางนี้นั่นละท่านจึงว่าบุญเกิดจากการภาวนานั่นละบุญเกิดจากการภาวนาทำให้จิตใจสบายจิตใจจะเย็นขึ้นคนที่เขาร้อนจิตร้อนใจมีเรื่องอะไรเกิดกระทบกระทั่งกัน มีปากมีเถียงทำให้เกิดความโกรธขึ้นไม่รู้จักระไม่รู้จักวางเรื่องเล็กน้อยไม่ยอมกันมีแต่จะเอาชนะกันนั่นเขาเรียกว่าไม่มีธรรมะมาเป็นเครื่องร่อเรียง จ, จิตใจจิตใจก็เกิดเป็นความไม่พอใจขึ้นเมื่อไม่พอใจขึ้นก็วางไม่เป็นบัดม่เคยศึกษาธรรมะ ไม่เคยฟังเทศไม่เคยฝึกตะบะอดทนอดกั้นให้แก่ตนมันก็เกิดปากเถียงกันขึ้นทะเลาะกันขึ้นผลสุดท้ายก็ตบต่อยตีกันเกิดจากอะไรเกิดจากจิตใจของเรานั่นแหละไม่ละความโกรธท่านจึงว่าความโกรธนี้เหมือนไฟเผาลนทำให้เล่าร้อน ทำให้แตกสามัคคีกันทำให้เกิดเป็นทุกข์ทีหลังอาที่เราละยังไม่หมดละยังไม่ได้ก็ขอให้มันเบาบาง <c oughs> มันจะเบาบางบ้ายเราต้องปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมอบรมจิตใจธรรมะที่ได้ยินได้ฟังเอามาสอนใจอยู่เสมอจงเอาชนะความโกรธ ด, ด้วยการไม่โกรธตอบจงเอาชนะความไม่พอใจ ด้วยความยิ้มการยิ้มมันจะวางสบายใจยิ้มสู้กับทุกขยิ้มปล่อยวางทุกหรือจะทำใจให้สบายสบายก็ได้บางคนนี่มีการครองเรือนครองเรือนสามีภรรยาขัดแย้งความเห็นกันความเห็นไม่ตรงกันคนนั้นบางทีเข้าใจกันผิดนี่แหละคือไม่เห็นไม่ตรงความคิดเห็นไม่ตรงกันเข้าใจกันผิด หน้าโบรหน้าเบี้ยวใส่กันมันก็เป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายคนหนึ่งพูดขึ้นมากลับกันเลยถ้าเรายิ้มเฉยเขาจะหน้าโกรเรายิ้มผลสุดท้ายก็ยิ้มตอบเหมือนกันแหะท่านจึงว่าเมตตามหานิยมเนี่ยมันอยู่ที่ความไม่โกรธและความยิ้มใส่กันการยิ่มมันวางความโกรธอยู่ในตัวถ้าต่างคนต่ ต, ต่างบึ้งใส่กันเขาเบึ้งมาเราเบึ้งตอบ มันไม่มีความสุขทางใจดอกอนั้นมันไม่ใช่ความสุขความสุขคือทำใจให้สบายการทำใจให้สบายมันคลายเครียดหายจาก โ, กโกาครคโรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนมีความสุขทางใจคนเราจะคลายเครียดได้มันต้องคนวางเป็นจะทำยังไงถึื่จะวางเป็นอย่าไปโกรธตอบจงเอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธตอบ เอาชนะความหลงด้วยการไม่หลงไปตามเขาจงมีความพอใจในตัวเองฉันทะคือความพอใจ <c oughs> เราพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่อย่างนี้เราก็มีความสุขใจชนะความหลงความหลงเนี่ยตัวเองมีแล้วยังไม่พอใจอยากได้โน่นได้นี่อีกเนีย่ยว่าความหลงครอบงำความโลภครอบงำท่านจว่า จงเอาชานะด้วยความอยู่เย็นเป็นสุขสบายด้วยความพอพอสำหรับฐานะพอสาหรับเราเพราะเราทำไปไม่ไหวล้วก็เอาพอความพอนั่นหละทำให้เรามีความสุขสบายขึ้นเนี่ยหละความโกรธก็ทำให้เรามีความสุขทางใจเราธรรมะเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน <c oughs> จงเอาชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธตอบเอาชนะความชั่วด้วยการทำดีบ่อยๆทำความดีบ่อยๆสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมีเรื่องขัดแย้งทะเลาะกันลิ้นกับฟันบางทีมันก็กำลังกินอาหารอร่ อ, รอยๆอยู่กัดลิ้นตัวเองเหมือนกัน่ะบางทีอยู่กับภรรยาอย่างสบายๆ ก็มีเรื่องทะเลาะกันท่านจึงว่ารู้จักคำว่าปล่อยวางอย่าไปถือกันจงปล่อยเมื่อเราปล่อยบ่อยๆเขาก็ปล่อยเขาเองอเขาว่ามาอย่างไรเราก็ไม่สนใจแล้วเฉยเราก็ทำหน้าที่ของใครของมันไปการบ้านการเลือนรับผิดชอบของใครมันรักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่ในศีลในธรรม ไม่นอกโล่นอกทางนอกศีล น, นอกธรรมก็ เ, เป็นมนุษย์สมบัติที่ดีแล้วนะล่ะมนุษย์สมบัติกรรมที่ดีอะไรสิ่งไที่พลาดมาเราก็ละเสียละมันออกไปเพราะพุทธเจ้าท่านสอนว่าละชั่วทําดีทําจิตใจให้ผ่องใสอย่าไปยึดมั่นในอดีตมันพาให้เกิดเป็นทุกข์อดีตที่เป็นบุญกุศลท่านทะลึกเอาไว้ ความดีทั้งหลายระลึกเอาไวา้ความชั่วทั้งหลายท่านให้ละจงละชั่วทำดีจำเอาไวา้ละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสอย่าเอาชั่วที่ผ่านมาแล้วมาติดอยู่ในตัวเองละมันแล้วก็ทำความดีตลอดไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันตายมันก็มีความสุขใจนี่เรียกว่าบุญมันเพิ่มขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้น ถือว่าโชคดีพนักงานทั้งหลายที่ได้มาร่วมในบริษัทบอร์ลีนาอของอดอกเตรหมูที่พาจัดพารมด็ อ, อร์นัทธนลพาจัดพาธรรมพาบำเพญพวกเราจงให้ศรัทธามันเกิดเองถือว่าท่านเมตตาเมตตาอยากให้พนักงานให้เจ้าหน้าที่ทั้งหลาย ทุกรูปทุกนามทั้งหญิงทั้งชายแหละได้มีโอกาสได้ทําบุญได้มีโอกาสได้บําเพ็ญได้มีโอกาสได้สร้างกุศลให้แก่ตนได้สร้างทรัพภายในนี่หลักคือท่านให้ทรัพภายในแก่พวกเราอะไรให้ทรัพภายในแก่พวกเราถือว่าท่านมีเมตตาการุณาแก่พวกเราทั้งหลายเราต้องยอมรับว่าเออท่านเป็นคนดีมีเมตตาการุณาเ อ, อื้อเฟื้อ ให้ทั้งรับภายนอกให้การงานทำให้ทั้งรับภายในพาไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมพานั่งสมาธิอคำว่ารัพย์ภายในตายแล้วไปกับเราไม่จี้พูดถึงทรับภายนอกทรับภายนอกตายแล้วเอาไปไม่ได้แต่ถ้าซับภายในตายแล้วไปกับเราบุญกุศลตายแล้วไปกับเราไปเกิดพบใดแดนใดอยู่ชั้นไหน บุญที่เราทำนี่แหละมันจะไปกับเราพาให้เรามีความสุขเป็นสวรรค์สมบัติเป็นมนุษย์สมบัติเมื่อมาเกิดมาเกิดมาชาติใหม่ก็ร่ารวยขึ้นกว่าเดิมอายุยืนผิวพรรณดีหน้าตาดีรูปสวยรวยทรัพย์ดีขึ้นกว่าเดิมก็เพราะกุศลผลบุญสร้างเอาไว้นี่แหละเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าบุคคลทั้งหลายเกิดมาแล้ว ด้วยกุศลผลบุญที่ตัวเองทํามาแล้วแต่ชาติปางก่อนจะร่ําจะรวยใจอายุยืนมีความสุขกับพราะบุญสร้างมาแล้วแต่ชาติปางก่อนนี่แหละท่านจึงว่าบุญเป็นแดนเกิดเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดก็คือสร้างกรรมมาดีกุบุญมาดีก็เกิดดีมีความสุขอายุยืนเพราะมีศีลมีทำมาแล้ว นี่ละคือซับภายในซับภายในนี้เราไปไหนไปกับเราโจนลักก็ไม่ได้ไฟไหม้ก็ไม่ไหม้มันไปเป็นผลบุญผลกรรมไปกับวิญญาณไปสู่เบื้องหน้าตราบใดที่เรายังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารยังไม่สิ้นกิเลสโทสะโมหะโลภะลาคะกิเลสทั้งสี่อย่าง ยังไม่สิ้นเราก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายพวกเราทั้งหลายใครก็จะรู้ตัวเองว่าจิเลสสิ้นหรือยังยังไม่สิ้นต้องมีการเกิดอยู่เมื่อมีการเกิดก็ ข, ขอให้เกิดดีเกิดดีก็คือเกิดด้วยบุญบุญสร้างทานมาดีบุญรักษาศีลมาดีบุญภาวนามาดีนั่นแหละบอกของบุญมีสามบอกบ่อใหญ่ๆของบุญบุญให้ทาน รักษาศีลภาวนาเพราะฉะนั้นท่านนิมนต์ครูบาอาจารย์มาฟังเทศไ่ายพระสวดมนต์มาฉันจังหันมาทำบุญบริษัทอย่างนี้ถือว่าสงเคราะห์ชาวพี่น้องสรารคามชาวบ้านชาวเมืองสงเคราะห์หมู่คณะในบริษัท ด, ด้วยกันจะมีโอกาสไดส้สร้างสร้างทรัพย์ให้แก่ตนทรัพย์ภายใน สร้างทรัพย์าให้แก่ตนผู้ใดสร้างมากด้วยศรัทธาผู้นั้นก็ได้มากผู้ใดสร้างน้อยก็ได้น้อยตามกําลังสร้างของตนตามกําลังศรัทธาของตนนี่แหละจงพากันเข้าใจ <c oughs> ถ้าเราไม่เข้าใจเราจะลําบากใจโอ้ยบริษัทต้องมาจัดจิจกรรมต้องมาอันนั้นอันนี้มันก็เลยเกิดขัดเคืองในใจขึ้น เมื่อขัดข้องขัดเครื่องในใจขึ้นนี่ใจก็ไม่เป็นบุญบ่จิตถึงบ้านก็มาได้กับป่านนี้จะเป็นยังไงเนาะชาวบ้านทางบ้านเป็นยังอย่าส่งกิตไปให้น้อมเอากุศลแล้วนำไปบอกชาวทางบ้านให้เข้าใจนี่ละ่ะสร้างทรัพย์ภายในให้เขาได้อนุโมทนาด้วยเดอ้อไม่ได้ไปไหนดอกฟังเทศฟังธรรมนั่งสมาธิแผ่เมตตาภาวนา บริษัททํากันอย่างนี้ถือว่าดีแล้วละ่ะให้สามีให้พ่อบ้านพ่อไอ้หนูอินูอนุโมทนาเอาด้วยสลับผู้หญิงผู้ชายก็ให้ภรรยาอนุโมทนาเอาด้วยบนมาจะได้ไปพร้อมๆกันพร้อมกันคืออย่างไรฐานะเท่าเทียมกันเกิดชาติไหนก็ร่ํารวยเท่ากันอายุยืนเหมือนกันรูปสวยรวยทรัพย์เหมือนกันนั่นคือ พร้อมเพียงด้วยศรัทธานี่แหละบางคนเขาเกิดมาสามียากจนภรรยาล่ำรวยเพราะภรรยาทานสามีไม่ทานขัดแย้งกันแต่ก็ยังอยากร่วมเกิดพบชาติกันอีกก็เลยต้องเกิดมาเป็นคู่เป็นเนื้อคู่กันไม่สมบูรณ์แต่บางคนเขาสมบูรณ์ทั้งสองฝ่าย รูปสวยเลยทัพเท่ากันอายุยืนเท่ากันเพราะสร้างกุศลมาเท่ากันนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าคนเราเกิดมาเพราะบุญนำกรรมแต่งท่านว่าบุญนำก็นำส่งไปกรรมแต่งให้เป็นไปผลกรรมนำแต่งบุญนำกรรมแต่งให้เป็นไปตามยัถาวาสนาบารมีของตนเองบำเพ็ญมา นึงเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจงพากันเข้าใจและก็จงพากันสร้างบุญสร้างคุศส่เอ า, อาการแสดงบรรยายธรรมมาก็สมควรเพียงเท่านี้ก็ขอเอภพรให้บริษัทเบอร์ลิน่ า, าท่านอาจารย์ดรนัทนนท์ตาชูทั้งภรรย า, าทั้งพนักงานทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองทั้งทรัพย์ ภายนอกและทรัพย์ภายในทั้งบริวารทรัพย์อายุทรัพย์สุขพระละอายุบัานขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงจงพะสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติต่อไปอการแสดงธรรมมาก็สมควรจแจกการละเวลาเพียงเท่านี้ต่อไปก็พากันเตรียมรับพร <c oughs> ย อาวะลิวหาปุราปริปุลินติสกัลังเอวะเมวะอิโตดินางเปตานังอปกาปะทีเอเชตังปะทิตังตุงหังเขปามีวาสามิต ชาตโตสัพเพปุเรมตุสังกาปาจันโทปนะรโสยธามานีโชติระโสยธาสัพเพอนติโยเววาต ชาตุนสารพาโลโคเวนานสตตมาเตมภาวัวันตาลโยโซขีเียายอยู่โกภาวะอาพิว ทานาจิฮเลจานิจางวุฒิาปาจายโนจานตานโลนธรรมวาทานตีอายุวันนนสุข สัพพังคลาราคันโตสัพเดวัตาสัมบูทานนภเวนะสะดานโสติอาวันตุเตภวตุสัพพังคล ตัวซาปาเด